อุบายให้ซับนน่นเข้าสู่ราชตระกูลจงได้พระราชารับสั่งให้พระราชทานทรับพันหนึ่งแก่นางแล้วนางรับพระราชทานทรับนั้นแล้วให้ทิดานุ่งผ้าค่อนข้างเก่าปืนหนึ่งเอกจากพระราชมทีนพร้อมกับทิดานั้นเป็นดุจคนเดินทางไปสู่ถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกผู้จ้าง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 ก็คงกล่าวแก้ตัวอย่างนั้นแล้วตัดเชือกที่เหลือเว้นเชือกเส้นเล็กๆไว้เส้นสองเส้นวันนั้นเมื่อเขาพอนงลงเท่านั้นฐานเตียงทั้งหมดตกลงไปที่พื้นดินสีษะของเขาได้กระทบรวมเข้ากับเข่าทั้งสองเขารุกขึ้นได้จึงพูดว่าฉันจะทำอย่างไรบัด น, นี้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 เขาได้ตำหนีตีเตียนพลางไปนำกรหาปะนะมาเพียงหนึ่งกรหาปะนะจากทรัพย์ที่ฝังไว้สีสิบโกรนางก็ส่งกรหาปะนะไปถวายแด่พระราชาแล้วจะทำมอรสบด้วยกรหาปะนะของตนโดยการล่วงไป2องถึงสามวันก็ส่งข่าวไปถวายอย่างนั้นนั่นแหละอีกพระราชาก็ทรงบั ง, บงคับอีกว่า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 ในที่นั้นพระราชาทรงแสดงกรหาปณะเหล่านั้นแก่เขาแล้วตรัสว่าก็แล้วกาหาปณะนี้ของใครกันเขาจำกาหาปณะได้คิดว่าตายจริงเราหายนะแล้วอย่างไรหนอกาหาปณะเหล่านี้จึงตกมาถึงพระหัตของพระเจ้าจู๋หัวได้มองดูไป ร, บรอบๆก็เห็นหญิงทั้งสองนั้นประดับประดา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 พระราชาจึงรับสั่งให้จัดเกวียนหลายร้อยเล่มส่งไปให้คนทรัพย์นั้นมาให้ทำเป็นกองไว้ที่หน้าพระลานหลวงแล้วรับสั่งให้ชาวกรุงราชฤกษ์กมาประชุมกันแล้วตราตามว่า <c oughs> ก็ไหนพระนครนี้ใครมีซับประมาณเท่านี้บ้าง <c oughs> เมื่อด้วยราชกราบทูลว่าไม่มีพระชจ้าขระราชาจึงตราตามว่า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 คนมีปัญญาเห็นป่านนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่ามาบพิษชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมก็กรรมมีจรกรรมเป็นต้นย่อมเบียดเบียนบีบคัน้นผู้ทำทั้งไหนโลกนี้ ทั้งหนโลกหน้าชื่อว่าความสุขอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็ไม่มีก็บุุษทำการรับจ้างก็ดีทำนาก็ดีเลี้ยงชีวิตในการเสื่อมทรัพย์นั่นแหลชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมอันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญขึ้นอย่างเดียวแก่คนพูดถึงพรอมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธ ทางตะวานทั้งหลายมีกายและบาจาเป็นต้นมีปกติไกรกรวนด้วยปัญญาแล้วจึงทำผู้สำรวมไตรตวานมีกายตวานเป็นต้นเลี้ยงชีวิตโดยธรรมตั้งอยู่ในการไม่ประมาทจากสติไม่ประมาทเห็นป่า น, นั้นนันนี้แล้วประรักฐานีว่ายดย่อมเจริญโดยยิ่ง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 อปามัตตสะยะโสภวัตติในบรรดาคมเหล่านั้นคำว่าอุต ธ, ธานวโตแปลว่าผู้มีความขยันกล่าวคือผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นคำว่าสติมาตโตแปลว่ามีสติคือสมบูรณ์ด้วยสติคำว่าสุจิกัมมัตส แปลว่ามีการงานสะอาดคือประกอบด้วยการงานทั้งหลายมีการงานต่างกายเป็นต้นอันหาโทษไม่ได้คือหาความผิดไม่ได้คำว่านิสัมมาการิโนแปลว่ามีปกติใคร่ครวนแล้วจึงทำได้แก่ใคร่ครวนคือไตรตรองอย่างนี้ว่าถ้าผลอย่างนี้จะมีเราจะทำอย่างนี้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 คำว่าธรรมชีวิโนแปล ว, ว่าเลี้ยงชีพโดยธรรมคือผู้เป็นเครือขัดเว้นความโกงต่างๆมีโกงด้วยตาช่างเป็นต้นเลี้ยงชีวิตด้วยการงานอันชอบทั้งหลายมีทำนาและเลี้ยงโกเป็นต้นผู้เป็นบนรรพชิตเว้นอนเนสนากรรมทั้งหลายมีเวชกรรมและทูตกรรมเป็นต้น เลี้ยงชีวิตด้วยพิกาจาร์โดยธท ร, รคือโดยสม่ำเสมอคำว่าอัปปะมัตตสสะแปลว่าไม่ประมาทคือมีสติไม่ไปปราดับคำว่ายะโสภิวัทตทติแปลว่ายดย่อมเจริญโดยยิ่งหมายความว่ายดกล่าวคือความเป็นใหญ่ความมีโพคัพั์และความนับถือ และกล่าวคือความมีเกียรติและการกล่าวสรรเสริญย่อมเจริญในการจบพระคถากลุมพระโกศกะดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาสาเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แหละเรื่องกลุ่มพระโกศกะ